วันนี้ก็มีการสนทนากันมีโอกาสก็สนทนากันไปตามแบบให้ข้อมูลความรู้ตามคาสอนและก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของการให้รู้จักพื้นฐานของจริตจริงๆพูดในเรื่องของจริตมาเนี่ยยกมาในคำพิวิสุทธิมาร์กในวิมุติมาร์กและในอภิธรรมมสังคห์ก็ เรื่องของจริตาเนี่ยได้แก่บุคคลที่มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆสําหรับในที่นี้เป็นการแสดงประเภทของจริตหกเนาะก็มีราคะจริยาโทสะจริยาเป็นต้นทีนี้ในเรื่องของความประพฤติขึ้นเสมอเสมอแห่งราคะมีอยู่แก่บุคคลใดบุคคลนั้นก็เรียกว่าราคะจริตาก็คือราคะจริตเป็นต้นได้กล่าวไว้แล้ว สิ่งที่ได้พูดในวันก่อนพูดในเรื่องของจริตผสมเนาะราคาจริตโทสาจริตโมหจริตวิตตกจริตสัทธาจริตแล้วก็พุทธิจริตถ้าไปดูในคำสอนบางแห่งท่านใช้คำว่าญาณจริตมาแทนพุทธิจริตเช่นภาษาริบุตรเนี่ยเคยกล่าวว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีพุทธจักสุคือสามารถที่จะทราบจริตอัธยาศัยของหมูสัตว่าสัตว์พวกนี้มีราคาจริต สัจเหล่านี้มีโทสะจริตมีโมหะจริตมีวิตกจริตมีศรัทธาจริตและยาณจริตยานาก็คือพุทธิจริตนั่นแหละแล้วก็มาพูดในเรื่องของตัวมิสการจริตมิสการจริตก็พูดถึงในเรื่องของเอกโมลที่มีโมนหนึ่งทวิโมนมีโมนสองแล้วก็ติมูลมีโมนสาตรงนี้แหละที่มีการสับสนเกิดขึ้นมาว่า สรุปแล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายมีจริตอะไรกันแน่ <c oughs> อ, <c oughs> อยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะว่าวันก่อนได้พูดหรือยังว่าคนราคะจริตมีอียาบทอย่างไรคนมีมีกิจอย่างไรมีทัศนะอย่างไรมีโพชนะการกินอาหารอย่างไรแล้วก็ความเป็นไปแห่งธรรมะ สภาพจิตใจพื้นเพทางด้านจิตใจของกลุ่มราคะจริตเป็นยังไงโทสะจริตเป็นยังไงโมหะจริญยังไงเป็นยังไงเป็นต้นได้พูดหรื อ, อยังพูดแล้วเนะี่ยอ๋อโอเคนั่นก็พูดตรงนั้นไปแล้วทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของว่าโดยอียบทว่าโดยกิจว่าโดยโภชนาะว่าโดยทัศนะแล้วก็ว่าโดยธรรมะปะวติ ว่าในด้านของคุณธรรมเนาะหรือสภาพจิตใจที่เป็นไปกับธรรมะเหล่านั้นเป็นต้นทีนี้สิ่งที่อยากจะกล่าวหรือบอกกับเราท่านทั้งหลายก็ตรงที่บอกว่าเรื่องสมุดฐานสมุดฐานของจริตหมายความว่าเนื่องจากการกระทํากุศลของคนทั้งหลายเนี่ยใน อดีตในอดีตชาติปัจจุบันในชาติและอนาคตก็แล้วแต่เนี่ยการทำกรรมเนี่ยนะการกระทำกรรมยกตัวอย่างเช่นในขณะที่กำลังให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาอยู่เนี่ยกระแสจิตในขณะนั้นถ้าปารพนะเช่นให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีจะปารบอะไรปารบชื่อเสียงปารบหน้าตา อยากจะได้สวยผลที่เป็นมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติอันเป็นตัวตั้นหาคือความอยากมีการถือว่าตนเองเป็นนั่นเป็นนี่ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนอันนี้มานะเข้าขมาเกี่ยวข้องถ้าตั้นหาก็คือยินดีในสีเสียงกลิ่นรสยินดีในหน้าตายินดีในชื่อเสียงยินดีในพบภูมิปรารถนาพบภูมิที่ดีอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีก็มีมานะว่ายกตนว่า ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนแล้วก็ถือตอนเองอย่างว่าทิฏฐิทัศนคติความเห็นว่าตนเองเห็นอย่างนี้ตนเองจึงให้ทานแก่กลุ่มนี้คนนี้บุคคลนี้ตนเองชอบแบบนี้จึงรักษาศีลแบบนี้แล้วก็ชอบสำนักนี้ชอบหมู่บ้อะไรก็แล้วแต่เถอะเจริญภาวนาตนเองชอบภาวนาแบบนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่มีลักษณะทัศนคติในกรณีอย่างนี้แล้วก็ให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้าง กุศลที่เกิดขึ้นอย่างนั้นมีอะไรแวดล้อมอยู่มีตัณหาคือความอยากใหญ่มีมมีตัณหาก็คืออยากได้มานะก็คืออยากใหญ่ทิฏฐิก็คือใจแคบ แ, แวดล้อมอยู่เช่นนี้เป็นเหตุให้ผู้นั้นเน่เมื่อเกิดมาในอัตภาพนี้หรือถ้าทำกรรมในอัตภาพนี้จะเกิดในภพต่อไปก็จะเป็นคนที่มีตัณหาจริตหรือราคะจริตเห็ okay, นนยงฉะนั้นราคะจริตเนี่ยก็ให้สังเกต ด, ดูว่าเราท่านทั้งหลาย ที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยสังเกตดูไหมว่าเราเป็นคนกลุ่มแบบนี้ไหมเราเป็นคนที่มีราคะจริตมีความยินดีในสีเสียงกลิ่นรสผดผ า, าละในขณะเดียวกันก็ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนด้วยแล้วก็มีทัศนคติที่เห็นอย่างไรก็ปรารถนาอยากจะทำอย่างนั้นเท่านั้นล็อกความเห็นล็อกทัศนคติแบบนี้แล้วก็ไปให้ทานบ้างไปรักษาศีลบ้างไปเจริญภาวนาบ้างใครมีหแบบนี้ และให้สังเกตในปัจจุบันที่ทำำํากรรมแล้วก็ดูสังเกตดูการติดมาเป็นนิสยัยมีตุกกลุ่มราคะจริตเป็นมูลเป็นรากเงานี่คือกลุ่มราคะจริตนั้นกลุ่มราคะจริตนี้จะแวดล้อมด้วยตัณหาแวดล้อมด้วยมานะแวดล้อมด้วยทิฏฐิเขามันกลุ่มเดียวกันโทนเดียวกันนี่ก็กลุ่มพวกราคะจริตมีไหมครับที่นั่งอยู่เนี้กลุ่มราคะจริต ทีนี้เดี๋ยวจะไปดูในด้านของตัวคุณธรรมหรือธรรมะปกติถ้ากลุ่มพวกราคาจริตก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าทัศนคติเป็นยังไงมุมมองยังไงที่พูดถึงในเรื่องของสังเกตได้ยากไม่ยากนะพวกราคาจริตธ์เวลาเดินก็จะเดินไปด้วยกิริย์ชดช้อยค่อยๆวางเท้าเนี่ยนะ เป็นคนที่จะนั่งจะเดินจะยืนทั้งหลายก็น่าดูมีอาการละมุมละม่อมเวลานอนก็ไม่รีบรนเนี่ยคนที่มีราคะจริต จ, จะเป็นแบบนั้นเป็นไหมครับถ้าว่าโดยกีตาราคะจริตเนี่ยชอบทำงานยังไงเวลาปัดกวาดสะอาดหมดจดดีไม่ค่อยมีฝุ่นละอองฟุ้งตลบพวกนี้ทำงานเรียบร้อยสะอาดสะอา้านกริบเลยดูละมุมละม่อม แต่ว่าโดยโภชนะแหะพวกราค้าจริตชอบอาหารประเภทไหนของมันรสกลมกล่อมติดอร่อยนั่นแหละชอบของหวานหวานมันเป็นไหมหลวงนาเป็นไหมว่าโดยทัศนะแล้วพวกราค่าจริตเนี่ย เมื่อเวลาดูรูปสวยๆงามๆปราบปลื้มใจเสียงเพลอกลิ่นน้ำหอ ม, หอมรสอร่อยสัมผัสละเอียดอ่อนเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่สิ่งเหล่านี้เป็นไปอย่างธรรมดาเท่านั้นแหละก็รู้สึกว่าโอ้โหมันอินมันเคริร์เคริร์มันเพลิดเพลินในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเวลาจะจากสิ่งอะไรก็รู้สึกไม่อยากจะจากนะอยากจะมองเอาว่าโดยธรรมะในใจอะ่ะ มายาเจ้าเล่สาเถยยะโออวดมาน่าถือตัวเป็นต้นเหล่านี้เออลักษณะอย่างนี้เป็นกลุ่มพวกราคะราคะใช่เป็นคนแง่งอนเป็นคนภาษามันมีศัพท์อยู่ศัพท์หนึ่งนะจาปัญญาเนี่ย ยาปัญญาศัพท์นั้นแปลว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ประดอยเครื่องนุ่งห่มพิธีพิถันตกแต่งร่างกายเครื่องประดับต่างๆชอบพิธีพิถันชอบประดับประดาชอบตกแต่งถ้าสิงค์ศัพท์นั้นแปลว่าเป็นผู้แง่งงอนหมาะกับเหมาะกับหญิงนะ ฉะนั้นเวลาทำกรรมประเภทนี้ไปแล้วมีทีตัณหามาหน้ที่ตาาิแวดล้อมแล้วก็จะเป็นคนเกิดในอัาภาพใดในชาติใดก็เป็นผู้มีราคาเจริตเป็นมูลแต่ไม่ใช่ไม่มีเจริตอื่นมาผสมนะเดี๋ยวจะดูมิสกะมาผสมอีกทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นตัวเหตุนะอาจจะมีเจริตอื่นมาผสมไม่ว่ากันในขณะที่ทำในขณะที่กําลังให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา กระแสจิตในขณะนั้นปารบถ้าปารบชื่อเสียงดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปในเรื่องของตันหาหรือราคาจริตถ้าในขณะที่ให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาในขณะนั้นมีความโกรธมาแทรกมีความเสียใจมีความอิจฉาลิษยามีความตนันหนีมีความเดือดร้อนใจในการทํากุศลไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาโทสะรู้สึกหงุดหงิดง่าย อิสาก็คือรู้สึกว่าเห็นคนอื่นทําดีกว่ามีรู้สึกทนไม่ค่อยได้มัฉริยะก็ห่วงถิ่นห่วงที่อยู่หวงตระกูลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็รําคาญใจเกิดขึ้นในขณะที่ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีการทํากรรมที่มีทั่วโทสะอิสามัฉริยะกุกุจะเลยเนี้ยมาแวดล้อมเนี่ยเป็นเหตุทําให้ผู้นั้นเป็นคนโทสะจริตในอัตภาพนี้เลยในภพถัดไปถ้าทํากรรมในภพก่อนก็เป็นโทสะจริตในอัตภาพนี้ ถ้าทำกรรมในอัตภาพนี้ก็จะเป็นโทษสัจริตในอัตภาพถัดๆไปเห็นไหมเคยไหมครับโทษสัจจริตเนี่ยเวลาสังเกตดูว่าเวลาจะเดินจะเดินจิกปลายเท้าเนี่ยจิกปลายเท้าเดินเร็วเดินเร็วผีพราม เวลากิริยาอาการทั้งหลายไม่เรียบร้อนจัดที่นอนจัดอะไรต่างๆเกะกะไม่เรียบร้อยถ้าป ก, ปกให้รุกกับผลผันหน้าตาบวชบึ้งเนยพวกนี้จะเป็นอาการลักษณะแบบนี้ถ้ากิจก็คือการทำงานสะอาดแต่ไม่เรียบร้อยปัดกวาดทั้งหลายเราเนี้ยเสียงดังโคมความโคมความควาเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาหารก็ชอบประเภทรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสจัดๆทั้งหลาย คนโทสะเจริตว่าโดยการมองทิศทั้งหลายมองสิ่งทั้งหลายต่างๆเหลา่านี้ก็คือเมื่อได้แลเห็นรูปที่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยชอบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจจะเสียงไม่ค่อยเพลาะกลิ่นไม่ค่อยหอมรสไม่ค่อยอร่อยเนี่ยนะสัมผัสหายาบๆเนี่ยที่เป็นไปอย่างธรรมดาเพียงนิดหน่อยงุดหงิดขึ้นมาทันทีครับพวกนี้จะงุดหงิดง่ายมามแดดออกฝนตกนิดหน่อยงุดงิด เจอหน้าตาคนนี้หน่อยงดงิดไม่เคยพอใจอาการก่อนกลางที่จะสวิงอยู่ตลอดเวลาเลยโทสะจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นคนกโกรธแล้วมักพปจะโผโกรธเนี่ยลบวปลูกคุณด้วยตีเสมอด้วยลิสยาในคุณ ส, สมบัติของบุคคลอยู่มัจฉริยะด้วยนะครั บ, บรนั้นเวลาทำกรรมต้องระวังกระแสะจิตในขณะที่ทำกรรมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะทำกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ต้องระวังถ้าเราปรารถนาจะเป็นโทสะคนโทสะจราาิตก็เป็นคนหงุดหงิดง่ายๆยพยายามคิดในแง่ที่มันไม่น่าเพิดเปินคนนี้เคยทำความเสียหายกับเราคนนี้กำลังทำความเสียหายจากการความเสียหายฝนไม่น่าตกเลยแต่ทำไมที่กรกเหลือเกินทำไมที่อยู่เป็นอย่างนี้ต้นไม้ไม่งามเลยถนนทำไมรกจังเนี่ยนะทำไมคนวางกระถนไปเป็นที่เป็นทางก็ไม่รู้ ทำไมไม่ล้างบาทไม่เก็บจีวรต้นนี้พยายามมานุสยการอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยให้อาหารแบบเนี้แล้วก็ทํากรรมไปแบบเนี้จะเป็นเหตุทําให้เป็นคนโทสัจริตครับมองเห็นได้ยังโทสัจจริตเป็นแบบนี้ทีนี้เห็นไว่าทุกอย่างที่เป็นมาหรือติดเนือ้อติดตัวหมูสัตว์มาทั้งหลายเลยเนี้ มูสา ท, ทั้งหลายเป็นผู้ทำกรรมไว้ด้วยอภการต่อมาก็คือกระแสจิตในขณะที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ทานเน่เป็นคนไม่ฉลาดไม่แยกแยะคือถ้าให้ทานก็เป็นให้ดต่อะเมียร์เพราะลักบงังแล้เมียรเพราะโกรธ บ, บงให้แบบไม่แยกแยะองค์ประกอบหรอกให้แบบหลงหลงรักษาศีลก็ไม่เคยรู้จุดมุ่งหมายอย่างแท้จริง ไม่เข้าใจด้วยศีลคืออะไรเจตนาศีลคืออะไรเจตสิกศีลคืออะไรสังวรศีลคืออะไรอวิติกามศีลไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เข้าใจเลยว่าไงเถอะทาตามๆกันไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ทําพอเป็นพิธีทําติดยึดด้วยติดรูปแบบด้วยใครไปทําตามที่ตัวเองนั่นก็ก็ไม่เครืองนะพวกพวกนี้มีรู้จะค่อนข้างคนโมหะจริตเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ดูเหมือนเป็นคนมีความอดทนสูง เหตุผลก็เพราะไม่ได้แยกแยะ ก, ก็เลยไม่โกรธใค ร, ไ ม, รไม่โกรธใครฉะนั้นคนโมหะจริตเนี่ยจะอยู่กับคนได้อยู่กับคนโทสะได้คนโทสะชอบดูเขาไม่โต้อตอบว่าอะไรก็ไม่ว่าอันนี้เนืคนเครียดมากๆจึงนิยมเลี้ยงสุนัขเพราะสุนัขโมหะมันเยอะเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานเนี่ย ก้อนข้างที่มันมันมันผ่อนคลายเขาเพิ่นฉะนั้นในขณะที่ให้ทานก็ดีก็ไม่ฉลาดแยกไม่ออกล่ะครับฉันท่าทานังเป็นยังไงให้ลําเอียงเพราะรักเป็นยังไงให้ลําเอียงเพราะโกรธเป็นยังไงให้ลําเอียงเพราะหลงเป็นยังไงให้ลําเอียงเพราะกลัวเป็นยังไงให้ตามประเพณีเป็นอย่างไรให้หวังสุขติโลกสวรรค์ให้แล้วมันดีใจชั่วครั้งชั่วคราวเป็นยังไงเพราะเขาไม่แยกเขาแยกไม่เป็นหรอกว่าอันนี้เป็น ให้โดยศรัทธานะ น, นี้ให้โดยความเคารพนะอันนี้ให้โดยการย้ำเกรงให้โดยสละขาดให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ยังความเพลื่มใจใเกิดขึ้นที่จะไปประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตพัฒนาไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาทั้งหลายอะไรเนี้ยแยกเลยออกโมหะมันทำงานเวลารักษาศีลก็ไม่รู้ว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นมากํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจา และอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเรียกว่าศีลกุศลศีลเกิดขึ้นกำจัดความโทษศีล น, นะศีลเกิดขึ้นมาแล้วผลของศีลคือกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์เนี่ยศีลเกิดขึ้นเพราะความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเพราะมีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยที่จะดําเนินกระแสชีวิตไปตามมรรคาของวิชินเจ้าก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ครับกลุ่มโมหะเนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนายิ่งแยกแยะไม่ออกเขาให้ทําอะไรก็ทํา ให้นั่งก็นั่งรู้สึกเป็นผู้ว่าง่ายบอกให้ทำอะไรแล้วก็เชื่อง่ายนะแล้วก็แยกแยะไม่ออกถ้ามีใครบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามเขาถ้าใครบอกว่าดีก็ดีตามเขาอย่างเงี้ยมันก็จะแยกไปมันก็จะเป็นไปลักษณะแบบนี้นี่โมหะเป็นอย่างนี้แยกไม่ออกไม่รู้เหตุผลของการการะทำกุศลไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแต่ประการใด ท, ทาไปตามสมัยนิยมตามการเวลา บางทีก็เกิดการวิาพากวิจารณ์เครือนแคงสงสัยด้วยเห็นไหมสังเกตตัวไอวิโมหะเนี่ยมันจะเกิดร่วมกับความลังเลสงสัยก็เกิดร่วมกับความฟาุ้งซ่านทานศีลภาวนาเป็นต้นที่กําลังทําอยู่บางทีก็มีจิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นจิตก็เหมลอลอยเลื่อนลอยไปในขณะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ได้ตั้งใจในการทํากุศลในขณะนั้นสมาธิไม่มั่นไม่ตั้งมั่นไม่ดิ่ง ความเชื่อมั่นก็ไม่แรงจิตก็ไม่ฟองสายคุณมัวเคยเป็นไหมทําไปอย่างนั้นแหละเฉยๆเรื่อยๆเอื่อยๆไปอย่างนั้นแหละกุศลที่เกี่ยวเนื่องในโมหาวิจิกิจฉาอุทธจารเนี่ยจึงเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นเป็นคนโมหจริตในภพนี้และในภพต่อไปใครมีโมหจริตบ้างครับ คือไม่ได้แยกแยะอะไรเลยทำเรื่อยๆโมหจริตมันดีตรงที่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่เครียดเรื่อยๆเอื่อยๆเพลินๆล <c oughs> ักษณะโมหจริตจะเป็นไปลักษณะแบบนี้เนะี่ยเวลาเดินเนี่ย เ, ยเดินสเปสะสปากะวางเท้าลงยกเท้าขึ้นเหมือนเดินเหมือนคนขย่มตัว สังเกตุที่เดินเอา้าวเคยเห็นเด็กที่มาบวชเนนบางคนเหมือนใครดีเออนี่ยแหล ะ, ละเห็นไะมลักษณะมีเนนอยู่องค์หนึ่งสมัยก่อนมีพระมาะเล่าให้ฟังก็ว่าเวลามันเดินเดินเนี่ยเหยียบไก่ตายทุกวันเหยียบลูกไก่ตายือมันเดินเดิน มันเดินมันมึนงงมันเดินซ้ายเดินขวาไก่มันก็งงให้คุณอยู่วิ่งซ้ายวิ่งขวาปุ๊บมาเหยียบไก่ตายสิกแล้วอยู่งั้นนโมหะแรงจัดแม้เดินยังไม่ตรงเลยมันงงงมันเดินไปเรื่อยปล่อยจิตเรื่อยสติเลื่อนลอยเพราะมุตตสติไงหลงลืมสติเลื่อนลอยใช่ไหมฉะนั้นตัวคนที่เจริญอาณาปณะสติจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อโมหะ สตินั่นแหละฝึกสติในการดูลมมันแก้อาการของความหลงได้ยี่เป็นต้นใครมีอาการแบบนี้ก็สังเกต ด, ดูตัวเองนะว่าโดยกิจก็คือเวลาทําการงานหยาบหยาบข้างค้างเอาดีไม่ค่อยได้ปัดกวาดมือที่จับไม้กวาดจับแบบล้มหลวมทําการกวาดไปตามแต่จะได้ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยมูลฝอยทั้งหลายที่กวาดก็กจุยกระจาย โมหะจัดอันนี้โมหาจัดเนะี่พชนะละ่ะพวกนี้กินอาหารลดไม่แน่นอนอะไรก็กินได้ไม่เคยเลือกกินไปได้เรื่อยๆไม่แยกแยะไม่พิจารณ า, าเคยสังเกตไหมลงหน้าเป็นไงมีไหมโมหาเจริต เวลาดูรู ป, ปว่าโดยทัศนะเนี่ยว่าโดยเนื้อแท้ของกมมลุ่มมหะจริตพวกนี้จะเฉยเมยเนีเฉยเมยไม่ใช่เฉยแบบอุเบกขาพรหมวิหารนะอุเบกขาพรหมวิหารมันเฉยแล้วมองแยกแยะวางใจเป็นกลางนี่เฉยเมยเฉยแบบไม่รู้เรื่องเป็นอัญญาโุเปกขาเฉยงโง่ไม่เฉยมไม่รู้เรื่องรู้ราวนะีคือซึมไม่รู้เรื่อง เวลาใครอธิบายอะไรก็เอียงไปทางน้นใครบอกอะไรก็เอียงไปทางนี้เพราะไม่มีฐานข้อมูลในการที่จะมาวินิจฉัยแล้วแต่ใครจะชักจูงไปทางไหนใครให้ไปอยู่ตรงไหนก็ไปใครชวนไปไหนก็ไปอยากไปเรื่อย อย่างนี้เป็นคนถ้าใครชมก็ชมกับเขาบ้างใครๆตั้ำหนีก็พลอยตามเขาบ้างนี่ตามเขาไม่สภาพธรรมะในใจในเป็นคนแบบไหนรู้ไหมขดหูซึมหงอยเป็นคนที่ไม่คือความความแก้วกล้าอาฐานน้อยแล้วก็ฟุ้งซ่านลังเลสงสัยสนเทศ เป็นคนยึดมั่นยึดมั่นในอัตตาในตัวตนในยึดมั่นในบัญญัติอย่างรุนแรงใครชี้แจงยังไงก็ไม่ออกออกได้ยากไอ้โมหะจริงๆมันอยู่ใกล้ทิฏฐินะครับมันอยู่ใกล้กับทิฏฐิโมหะนี่มันใกล้กับทิฏฐิมันยึด ยึดระเบียึดวิธีการยึดอะไรทั้งหลายเหล่านี้ยยึดบุคคลยึดยึดประเพณเีมันยึดแล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวหนิมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นอธิบายหลายรอบอธิบายไปเถอก็ไม่ไม่ออกจากความเห็นนั้นเพราะเขาถ้าเขาออกแล้วเขาจะเขาขาดที่พึ่งเลยครับที่พึ่งของเขาคือความเห็นนั่นเอง สิ่งที่เขายึดแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่นะเช่นหลงในเข้าเจ้าทรงผีหลงในอะไรก็แล้วแต่หลงในเรื่องลมๆมแรงแรงหลงในเรื่องของผีสางนางเทวดาอะไรก็แล้วแต่เถอะเขาจะหลงไปในร่างเนี่ยปกเสกเลขยันเนี่ยมันหลงอย่างนี้ไม่เอาเหตุผลเนี่ยยึดมันเชื่อมั่นอย่างนั้นแหละใครจะไปแกะอธิบายเหตุอธิบายผลยังไงไม่หลุด หลุดยากเพราะโมหะมีกำลังมากแล้วก็ถ้าเขาหลุดจากตรงนั้นแล้วก็จะสเปเเะสปะเลยเขาจะไปยังไงเว้นไว้แต่ว่าเราต้องอยู่กับเขานานๆอธิบายเหตุอธิบายผลยกตัวอย่างอะไรอีกเยอะแยะครับมันเป็นอย่างนี้หนักเลยนะใครเจอประเภทแบบนี้ถ้าเป็นโมหะบวกวิตกอีกโหยิงไปใหญ่เลยเอ้าวแต่นี้ ถ้ากระแสจิตในขณะนั้นมัวแต่คิดไปในเรื่องสนุกสนานทุกทเรื่ให้ทานนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขับเน้นเรื่องสนุกสนานเรื่องเพลอดเพลินในเรื่องกรารมคุณหมายแปลว่าจิตใจก็น้อมไปในเรื่องของสีสวยๆเสี ย, สยงเพราะๆ เ, เนี่ยมันสนุกสนานไปนั่นนั่นคือเป็นไปในเรื่องของกามวิตกยกจิตเป็นเรื่องกาลจะให้ทานแต่ละทีจะรักษาศีลแต่ละทีจะเจริญภาวนาแต่ละทีก็ต้อง น้อมไปนในการมหรือคิดไปนในเรื่องของการปองร้ายคนอื่นพยาบาทหรือว่าคิดไปนในทางคิดเบียดเบียนคนอื่นเนี้ยสัตว์อื่นเนี้ยให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นต้นเป็นวิหิงสาวิตกกุศลที่กระทํากุศลที่เกี่ยวเนื่องกับกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างมีการพยาบาทกังวลวิตกคิดระแวดระวังกลัวภยัยลึกต่างต่างเล มันวนๆอยู่ในการให้ทานจะให้ทานแต่ละทีก็วิตกกังวลกลัวมันจะหมดบ้างกลัวมันจะหมดบ้างหรือคนนี้ไม่อยากจะให้อยากจะให้คนนี้บางจิตใจก็ว้าวุ่นหรือบางทีก็รู้สึกพยาบาทไอ้คนนี้เราโกรธไม่อยากจะให้มันอยากจะให้คนนี้เนี่ยวิตกมันเป็นอย่างเงี้ยหรือบางทีคิดจะเบียดเบียนให้คนนี้มากให้คนนี้น้อยหรือจะชวนคนนี้มารักษาศีลก็ไม่ได้หรอกกลัวมันมารักษาศีลแล้วมันดีกว่าเรา รู้สึกว่าเนี่ยมีคนชมมากกว่าหน้าตามันดีกว่าเราหรือมันมีชื่อเสียงมากกว่าเราสู้เรามาหลบๆเนี่ยมลักษณะแบบนี้นีไอพวกวิตตกจริตหรือว่าจะชวนไปเจริญภาวนาทั้งหลายเหล่านี้ก็วิตตกกังวลจะจะทำยังไงดีอย่างม้วนวกวนฟุ้งซ่านมันไปลักษณะแบบนี้เคยเจอไหมคนประเภทนี้ทั้งการมวิตกพยาบาทวิตตกวิหิงสาวิตกลักษณะเช่นนี้แหละ ที่เคยทํากรรมไม่ดีก็เลยกลายเป็นคนวิตกจริตในอัตภาพนี้และถ้าไปในอัตภาพถัดไปก็เป็นคนวิตกจริตด้วยนี่ทํากรรมที่แวดล้อมไปด้วยการมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวิตกที่ไม่ดีนี่นะก็จะมีพวกวิตกจริญติดเนื้อติดตัวมากลายเป็นคนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟพวกนี้กรุ่นขี้ต่างๆพอกลางวันก็โหล่ไปเป็นฟ้าแล้ว เป็นฟ้าผ่าวปั๊บปัปปไปเลยเคยเป็นไหมครับจริตแบบนี้ท่านเคยเป็นไหมวิตกกังวลอย่างนี้มีไหมนี่ลักษณะของวิตกจริตไปสี่จริตแล้วนะ ใ, ใค่สงสัยถามนะ ถ้าต่อไปในขณะทำกรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาประกอบไปด้วยความเชื่อเลื่อมใสในกรรมและผลของกรรมเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของปรรัิญาสงฆ์ไม้มีความเชื่อนี่ตัวเนี้ยเชื่อว่ากระแสชีวิตเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดมีกรรมเป็นปัจจัยยังไงไอตัวศรัทธานี่ที่เกิดขึ้นนี่แหละ เห็นไหตัวศรัทธาตัวความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นในขณะที่ทํากรรมเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเกิดในอัตภาพในเป็นคนที่มีศรัทธาจริตใช่ไหมที่จริงตัวศรัทธาเนี่ยมันดีนะแต่ถ้าศรัทธาไม่มีปัญญามาเกิดร่วมหรือมีกิเลสตัวอื่นมาเกิดร่วมอันนั้นไปว่ากันอีกทีนะในพื้นฐานของศรัทธาตัวเขาดีอยู่แล้วในตัวเองเป็นกุศลแลจิตแต่ถ้าศรัทธาด้วย แต่ไป ม, มีกิเลสตัวอื่นมาแฝงด้วยเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีแต่ในเนื้อตัวของเขาเนี่ยโอเคแล้วศรัทธาเชื่อมั่นในคุณความดีเชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าเชื่อมั่นในตัวกุศลในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเวลาให้ทานก็เชื่อมั่นในทานกุศลรักษาศีลก็เชื่อมั่นในตัวศีลกุศลว่าจะให้ผลเป็นสุขยังไงเจริญภาวนามีสัมปทาภาวนาวิปัสสนาก็เชื่อมั่นในภาวนานั้นไอ้ความเชื่อมั่นตัวเนี้ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ได้ศรัทธาจริต ในอัตภาพนี้และในภพถัดไปอย่างนี้เป็นต้นอภปการสุดท้ายก็คือกระแสจิตในขณะให้ทานรักษาศีลประกอบไปได้วยปัญญารู้เหตุผลของกุศ ล, ลกรรมที่ตนเองกำลังทำอยู่เป็นคนมีความชาญฉลาดในการกระทำด้วยและก็ปลาโลวาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนี่ฉลาดด้วยนะทรัพย์สินเงินทองรัตนาชาติทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของของตนใช่ไหม แต่สุจริตกรรมและทษจริตกรรมที่หมู่สัตว์ทั้งหลายทําไว้ต่างหากเป็นของของตนมันติดตามตนเองไปทุกอัตภาพที่เกิดสุจริตกรรมก็เป็นทรัพย์ของตนทุจริตกรรมก็เป็นทรัพย์ของตนบุตรภรรยาญาติมิตรทั้งหลายเหล่านี้ยตลอดถึงเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เป็นทรัพย์ชั่วข้าวแต่สุจริตกรรมเป็นเป็นทรัพย์ของตนที่จะตามส่งเสริมทุจริตกรรมก็เป็นทรัพย์ที่ตามเบียดเบียนเห็นไหมมี หรือเป็นเผ่าพันธุ์ด้วยเป็นญาติด้วยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็ฉลาดในเรื่องกรรมและผลของกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องมีกรรมเป็นมิตรมีกรรมเป็นเพื่อนมีกรรมเป็นญาติเรานิกว่าเรามีเราเป็นทายาทของพ่อของแม่มีสิทธิ์รับมรดกของนั้นเป็นทายาทชั่วข่าวใช่ไหมเป็นญาติชั่วข่าวแต่สุจริตกรรมทุจริตกรรมเนี่ยเราเป็นญาติของกระแสชีวิตนี้ขันนี้ เป็นญาติของสุจริตกรรมเป็นทายาทที่ถาวรเป็นทายาทของทุจริตกรรมด้วยแล้วแต่ถ้าทําสุจริตกรรมไว้สุดจริตกรรมก็เป็นมรดกที่เราจะรับตามให้ผลถ้าทําทุจริตก็ไว้ทุจริตก็ตามให้ผลความเป็นผู้ฉลาดในกรรมและผลของกรรมอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นกรรมอสกตาสัมมาทิฐิในการให้ทานในการรักษาศีลถ้าเจาะลงไปลึกๆกลุ่มหลักคนนี้มีสุตตะดีครับ มีสุดตามีข้อมูลของพระริยเจ้าเจาะลงไปก็เห็นด้วยความเป็นรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตที่มันอิงอาศัยกันเกิดขึ้นกระแสชีวิตที่มันอิงอาศัยกันเกิดขึ้นกระแสของรูปนามกันห้าเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิส่วนรูปธรรมแล้วก็เวทนาความรู้สึกยังไงสัญญาความจํำยังไงสังขารสภาพที่ปรงแต่งยังไงก็วิญญาณก็ เป็นประธานในการรู้อารมณ์ทางๆหูจมูกเป็นต้นการที่ปัญญาเข้าไปเจาะทะลุทะลวงจนเห็นว่าจริงๆสัตว์บุคคลไม่มีหรอกอัตตาตัวตนไม่มีหรอกเป็นสมมุติแยกได้ระหว่างสมมุติกับสภาวะแยกได้อย่างชัดเจนเห็นความเป็นไปของกระแสชีวิต โดยความสะอาดบริสุทธิ์จริงๆเห็นด้วยความเป็นรูปนามขันห้าจริงๆแล้วก็เห็นว่ารูปน้มขันห้าหรือกระแสชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลาเกิดดับสืบต่อจะเรียกว่าอนิจจังก็ได้ทุกครั้งอนัตตาอาการเห็นในลักษณะอย่างนี้เวลาไปให้ทานรักษาศีลขึ้นมาจึงเข้าใจชัดปัญญาที่ไปเห็นตามความเป็นการที่ว่าไปพิจารณากายกรรมวจีกรรมโนกรรมเนี่ยเป็นผู้ให้ การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอย่างนี้เป็นต้นการที่ปัญญาเขาไปวิจัยแยกแยะจนแยกแยะเหตุและผลนี้เป็นต้นมีการให้ทานรักษาศีลกุศลประเภทนี้จะเป็นปัจจัยทำให้ได้พุทธเจริตปัญญาจริตหรือญาณเจริตสรุปแล้วก็คือหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มีจริตต่างๆกันเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างเเพราะเนื่องมาจากอะไร กุศลกรรมอกุศลกรรมในพบก่อนที่เกี่ยวเนื่องกับกระแสจิตที่ต่างๆที่เกิดขึ้นแวดล้อมเป็นบริวารเป็นเหตุเป็นปัจจัยฉะนั้นมูสศาสตร์ทั้งหลายที่มีความประสงค์จะให้ตนเองเป็นคนมีนิสัยใจคอที่เป็นจริตฝ่ายดีในพบต่อๆไปแล้วจำเป็นที่จะต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ในการที่จะฝึกตนเองในขณะที่ทากรรมกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ในการก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายเจรละปัสสวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพุทนิ่งในการให้ทานรักษาศีลจเลยเญราวนั้นต้องระมัดระวังถ้าให้ราคาโทรศาโมหาให้กิเลส ท, ทั้งหลายมาแวดล้อมคุณก็จะมีกิเลสเหล่านั้นน่มาเป็นมิสกาในการผสมนะหรือเป็นตัวมูลมูลเลยแตเนี่ย น, นอ่ะยกตัวอย่างจะได้เห็นชัด อย่างยกตัวอย่างเช่นราคะโมนเนี่ยเอาสมมติว่าทํากรรมที่แวดแล้อมมาด้วยราคะมีกําลังมาถือปฏิสนธิเป็นมนุษย์กับเขาด้วยกําลังของกุศลเนี่ยแต่มีราคะเป็นรากแล้วแล้วมาได้ศรัทธาในพระศาสนาก็เลยราคะราคะศรัทธาจริตทีนี้ไอ้พอราคะศรัทธาจริตเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถ้าเป็นคนไม่มีข้อมูลความรู้แยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกเลยระหว่างราคะกับศรัทธา ถ้าจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นชอบสงสงสวยๆงามๆจะให้ทานก็ต้องของดีๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีตัณหามานาะที่ถีแวดล้อมนยอยากต้องการเกียรติยศชื่อเสียงด้วยยกตนชูตนในการให้ทานด้วยเห็นเห็นผิดว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นผู้ให้ทานด้วยแล้วก็เชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในคณของพราตนไตผสมผสานแต่จริงๆคือ ที่เชื่อมั่นในพระรันาตนตยความเชื่อมั่นมาเป็นมาเป็นตัวรับใช้ราคะเพราะราคะบอกว่าอยากจะได้พบชาติที่ดีเราอยากจะได้พบชาติที่ดีอยากจะได้ชื่อเสียงที่ดีอยากจะเ ก, เกิดเยะชื่อเสียงที่ดีเราจรึงเชื่อมั่นในการทำดีไอ้ตัวราคะเลยมาตัวตอบสนองตัณหาไอ้ไม่ใช่ตัวศรัทธามาตอบสนองตัณหาเห็นไหมยังนี่คือกลุ่มราคะศรัทธาไอ้กลุ่มราคะพุทธเทีย มีราคะเป็นมูลอยู่แล้วแต่มีพุท ธ, ธิมาผสมปัญญาอุยกลุ่มราคะมาศึกษาสอนขึ้นมาแต่นี้พอเริ่มรู้หน่อยพอเริ่มรู้คําสอนรู้เหตุรู้ผลรู้กรรมรู้ผลของกรรมแต่นี้เอาละแต่นี้พอเริ่มรู้ตรงนี้ขึ้นมาก็ใช้ที่ปัญญาแทนที่ปัญญาจะมาจัดการราคะแต่เอาปัญญาไปชารฉลาดในการทําเหตุเพื่อตอบสนองความต้องการเช่นอยากจะได้พบชาติที่ดีๆต้องทำกรรมแบบนี้นะ อยากจะได้ความอัตภาพที่ดีๆต้องทํากรรมอยา่างนี้อยากจะได้ชื่อเสียงดีๆต้องทํากรรมอย่างนี้นะอยากได้ได้บริวารมากๆต้องทํากรรมอย่างนี้นะอยากจะได้หน้าตรราสวยๆต้องทํากรรมอย่างนี้นะอยากจะมีสติปัญญาดีๆต้องทํากรรมแบบนี้ก็เลยเป็นไปเพื่อวัตถะเป็นไปเพื่อพบชาติแต่ด้วยความเป็นผู้มีพุทธิด้ยมีเหตุมีผลมีปัญญาดีมันก็เลยไปอีกมุมหนึ่งเลยมองเห็นอย่างนี้ปัญญามารับใช้ราคาะเรื่อเหมือนนี่อย่างนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ หรือราคะวิตกจริตอันนี้มีราคะโอ้เป็นคนรักสวยรักงามจริงนะเป็นคนที่ให้ทานด้วยตัณหามานาที่ทิแต่เป็นคนวิตกกังวลเพราะไปเจอปัญหาชีวิตหรืออยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมต้องกังวลเรื่องที่อยู่อาศัยกังวลเรื่องสถานภาพของตนเองกังวลเรื่องทรัพย์สินเงินทองกังวลเรื่องคู่ครองกังวลเรื่องพ่อแม่กังวลมันเลยกลายเป็นไอ้ความกังวลทั้งหมดพมีราคะเนี่ยเป็นตัวบงการ นี่ก็อะไรก็ราคะวิตกหรือบางทีราเอาตรงนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยราคะศรัท ธ, ธาพุท ธ, ธิไอ้ตัวราคะยังเป็นมูลอยู่นียศรัทธาก็ยังรักสวยรักงามไอ้ตัวพุท ธ, ธิพุท ธ, ธิถ้าดีจริงอ่ะพุท ธ, ธิต้องมาจัดการราคะและมันนําให้ศรัท ธ, ธาถูกต้องแต่ถ้าพุท ธ, ธิพัฒนาไม่ดีจริงญาณนะหรือจริตญาณจริตหรือปัญญาพัฒนาไม่ดีจริงศึกษาไม่ดีจริง รู้บางมุมบางส่วนนักขานัก ข, า ก, ขาก็มาตอบสนองราคะทั้งศรัทธาก็ดีทั้งราคะทั้งศรัทธาก็ดีเลยมามาให้ราคะเป็นตัวบ่งการอันนี้ต้องระวังต้องระวังซึ่งหลายคนถ้าไม่ศึกษาจริตให้ดีก็ไม่รู้ฐานจริตของตงัวนี้ราคาศรัทธาวิตตกโอ้โหนี่ทั้งหรือราคาศรัทธาพุทธิวิตก ราคะศัทธาพุท ธ, ธิวิตกไปเยอะเลยสี่จริตสี่จริตถ้าพัฒนาดีๆได้กัญยานามิตรดีๆได้สิ่งแวดล้อมที่ดีได้คนแนะนำที่ ด, ดีก็จะพัฒนาตัวปัญญาขึ้นมาแล้วมาจัดการราคะมาจัดการวิตกจัดการยังไงจัดการยังไงพอปัญญามาจริงๆสติเข้ามาก่อน มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะใช้องค์คุณสามใช่ไหมเพียรที่จะละราคะสมาทานว่าจะไม่ให้ราคะความกำหนัดมานะความยกตนทุรนทิฏฐิความหินผิดทั้งหลายเข้าสู่กระแสจิตนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปความเพียรก็จะละวิตกเราจะไม่วิตกกังวลเราจะให้ปัญญามาชำระเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกิดความเพียรเกิดสติกำกับ พอพอความเพียรกระตุ้นเตือนในสติกำกับกระแสชีวิตปุ๊บตัวความเพียรและสติก็ปิดไม่ให้ราคะเข้าไม่ให้วิตกเข้าแต่รักษาศรัทธาเป็นฐานไว้คือความเชื่อมั่นในคุณความดีไว้แล้วให้ปัญญามาสอบสวนมาตรวจสอบมาเป็นตัวนำกระบวนการความคิดผักเป็นการกระทําและคําพูดเป็นไปได้เหตุหรืผลแล้วก็สั่งสั่งสมข้อมูลอย่างแท้จริงปัญญาศรัทธาความเพียรสติ มาทํากิจร่วมกันนะข้าวนะข้าก็เพื่อจะหลุดออกจากตัวราคะจริตและวิตกจริตเป็นต้นให้ได้ถ้าทําอย่างนี้ก็ดําเนินชีวิตไปได้พ่อมองเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอยากไหมล่ะมีใครถามปัญหาไหมครับอันนี้คือราคะเป็นมูลบางคนมีโทสะเป็นเจ้าเรือนนะ เคยเห็นไหมคนโทสะเป็นเจ้าเรือนเป็นคนหงุดหงิดเป็นโทสะอิสามัชย์ยักุกุจักเครียดง่ายกโกรธง่ายแล้วก็หงุดหงิดง่ายเจอเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีจิตคิดประทุสร้ายคิดเบียดเบียนด้วยอะไรด้วยไม่พอใจเป็นคนทําอะไรเร็วเอาจริงเอาจังรักษากฎเกณฑ์ระเบียบใครไม่ได้เป็นอย่างนี้โกรธไม่พอใจ ฐานโทรถาเป็นแบบนี้นะทีนี้พอศรัทธามาบวกเออพอโทสะมาบวกกับศรัทธาอ้าวเป็นคนมีศรัทธาในพระศาสนาแต่ศรัทธามีใครอยู่เบืออเบ้องหลังนะมีโทสะอยู่เบื้องหลังนะพอศรัทธามีโทสะอยู่เบื้องหลังเนี่ยฉันศรัทธานะและในขณะเดียวกันเมื่อฉันลงทุนศรัทธาขนาดนี้แล้วถ้ามาทําไม่ถูกไม่ควรตามใจที่ฉันคิดขึ้นมาแล้วฉันลุยไม่เลิกนะไม่เลิกหน้านะ จัดการเลยตึงต้งๆึ้งตึ้งตเลยคนเว้ยเห็นไหมเคยเจอใช่ไหมเนี่ยศรัทธาโทสะยิ่งเป็นคนมีทรัพย์มากมีเกียรติยศชื่อเสียงมีบริวารเยอะถ้าศรัทธาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเสียงดังฟังชัดเชื่ออย่างนี้แล้วก็ทําอย่างเงี s s ar, right? ้ยนี่แต่ถ้าโทสะพุทธิเคยเห็นไหมโอ้โหตรงเนี้ย โทสะแรงด้วยและคิดอะไรเร็วด้วยฉลาดด้วยเหตุผลนี่เป๊ะไปไปไแต่การฉลาดและเหตุผลทั้งหลายตอบสนองโทสะนะแล้วสามารถชี้แจงและตำหนิคนได้อย่างชัดเจนและคนเถียงไม่ขึ้นด้วยถูกด้วยแต่มีการมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกแบบรุนแรงหน้านิ่วคิ้วขมวดคิดอะไรออกเร็วเพราะคิดอะไรออกเร็วก็โกรธใช่ไหมพราะ ฉลาดกว่าคนอื่นก็เลยโกรธเร็วเห็นคนอื่นไม่รู้เรื่องรู้ราวโกรธคนอื่นทําไม่ทันใจโกรธวางแผนไว้แล้วมาทําแผนที่วางไว้ล้มโกรธไม่พอใจหงดหงิดไม่พอใจคิดเร็วใช่ไหมมันเห็นอะไรเห็นข้อบอกพร่องอะไรได้ง่ายเพราะมันคิดเห็นหมดแต่โทรศัมันหนุนเนื่องอยู่เบื้องหลังมันบอกว่าไอ้คนนั้นคิดช้าไอ้คนนั้นทําไม่ถูกจัดการมัน ปัญญาไปถาวิธีการจัดการไปเถียงกับคนไม่นี่เถียงไม่ได้เพราะมันเป็นโทสะ พ, พ, พ, พุทธิโทสะบวกบุกคพุทธิเคเห็นไหมทรเร็วแล้วก็แรงแล้วก็ชัดระเบียบกฎเกณฑ์กติกาโอ้โหตัดสินใจรวดเร็วปุ๊บๆๆๆๆใครเถียงไม่ได้เลยชี้แจงเหตุผ ล, ลทุกคนยอมจำ น, นวนเพงี้แรงจัดที่จริงปัญญามต้องมาจัดการโทสะใช่ไหม เรียาปัญญามันไปตอบสนองโทสะมันกายเป็นแบบเบียดเบียนคนอื่นเลยนี่เป็นเคยเห็นไหมแบบนี้โทสะวิตกเคยเห็นไหมโอ้โอ้เป็นคนที่โอ้โหเป็นโทส ะ, เ ป, ทสะเป็นมูลอยู่แล้วโอ้โหกามวิตกมาบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกถ้าจะไปทำดีก็มีนะไอ้โทสะวิตกเนี่ยเป็นเนกขมวิตกแต่ขี้โกรธอยากจะ บวชอยากจะออกจากกามอยากจะออกจากสิ่งแวดล้อมไม่ชอบไม่ชอบความวุ่นวายจริงแต่งดงหงิดง่ายอยากจะ อ, อ, อยากจะเมตตาก็เมตตาได้เป็นกลุ่มไอ้กลุ่มนี้เกลียดไม่พอใจนะอยากจะกรุณาเหนนี่น่ากรุณาเห็นนั้นไม่น่ากรุณามันจะแยกเพราะมันมีโทสะเป็นฐานโอ้ยพวกนี้คิดวนๆอยู่โทสะวิตกโทสะสัทธาพุทธิ เนี่ยสามตัวเป็นโทสะเป็นฐานมูลอยู่ก่อนแล้วมีศรัทธาในพระศาสนาในคุณความดีแล้วมีปัญญาด้วยนี่เราจะเห็นว่าศรัทธาก็ดีปัญญาก็ดีก็จริงๆต้องมาจัดการในโทสะแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ได้กระยาณมิที่ถูกต้องไม่ได้กรรมฐานที่ถูกต้องไปไม่ค่อยรอดเพราะไม่รู้ฐานตัวเองโทสะศรัทธาวิตก โอโหนี้ไปไม่เป็นเลยนะียทั้งกังวลด้วยเชื่อมั่นในเรื่องอะไรก็กังวลในเรื่องนั้นรักใครชอบใครก็กังวลอยู่กันเรื่องนั้นโทสะพุท ธ, ธิวิตกโทสะสัทธาพุท ธ, ธิวิตกสี่เลยนะใตรงนี้ให้สังเกตดูนะว่าตรงเนี้มันอยู่ตรงที่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เมื่อมารวมกันขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาแก้ยากเป็นมิสการ จะแก้โทสะจะแก้ด้วยอะไรจะแก้วิตกแก้ได้โดยไรศรัทธาให้ยังไงพุท ธ, ธิยังไงทั้งหมดเหล่านี้ก็คือมันเป็นจรหิตผสมเอาดูโมหะนิดหนึ่งโมหะสัทธาโอ้โหถ้าเป็นมีโมหะเป็นมูลหลงอยู่แล้วใช่ไหมครับ ลังเลสงสัยหลงเลื่อนลอยปั้นเฟือนเลือนหลงไม่แยกแยะองค์ประกอบแล้วไปเชื่อเขาอีกโอ้โหอย่างเงี้ยงมงายมากใครจะไปชี้แจงเหตุผลยังไงแทบตายชี้ไม่หลุดเลยไม่หลุดเพราะเพราะไอตัวศรัทธามันไปบวกกับโมหะขึ้นมาเชื่อแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะเราเชื่ออย่างนี้แล้วชีวิตเราดีขึ้น ปักอยู่งั้นเลยเพราะมีโมหะกสัทธาถ้าโมหะพุท ธ, ธิโมหะพุท ธ, ธิมันอย่างนี้มันมันมากับทิฏฐิในะโมหะตัวนี้ยถ้าไปยึดอะไรขึ้นมามันมีปัญญาด้วยเนี้ยปัญญาก็ไปหาวิธีการเพื่อจะทำให้ตนเองเขียนหรือยึดนั้นนะ่ะมันสมฤทธิผลผเช่น เช่นมีความเห็นว่าเราอยากจะเปลี่ยนสังคมแบบนี้และให้สังคมมันเหมือนกันทั้งหมดมันมันมันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้หรือโมหาวิตกจริตโอ้โหนี่น่ากลัวมากมันมันมันมันหลงด้วยแล้วก็ตึกในการามตึกในพยาบาท โมหาสัทธาพุทธิโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยโมหาสรัทธาวิตกโมหะพุทธิวิตกเอาสุดท้ายโมหาสัทธาพุทธิวิตกเนี่ยตรงเนี้ยไอตัวกิเลสตัวเนี้ยน่ากลัวที่สุดโมหาสัทธาพุทธิวิตกถ้าไปเป็นเจ้ารัตทิน่ากลัว มันฉลาดมากนะอย่างสัญชัยบริภาชกเอาสิอย่างสัญชัยเนี่ยโอ้โหฉลาดแต่หลงคือประดิษฐ์คำสอนคิดคำสอนไม่ให้ไม่ตายตัวไม่ตายตัวเพราะกลัวผิดวิตกกังวลว่ากลัวมันจะผิดปัญญาก็เลยต้องมารับใช้โมหะ ปัญญาก็ต้องมารับใช้วิตกแล้วเชื่อมั่นว่าตนเองที่เชื่ออย่างนี้เห็นอย่างนี้มันถูกด้วยเพราะมีโมาหะเป็นมูลอยู่แล้วมีความหลงมืดบอดเป็นมูลอยู่แล้วถ้าใครไปเจอคนประเภทนี้เออฮอจะสอนอยังไงถ้าอย่างเราเราก็แทบจะเดินหนีกันแล้วว่าป้าตัวใครตัวใครเล้วมีมิสการจริตฝ่ายไม่ดีเยะอะนี่นทั้งหมดเหล่านี้เชื่อเห็นไม่ว่าจะเป็นทวีมูลติมูลก็จะเพิ่มขึ้นมายิ่งเพิ่มกิเลส เพิ่มไปตัวมูลสองมูลสาเช่นราคามูลโทรศามูลมหามูลเนี่ยถ้าไอ้สามูลมารวมเลยลองคิดดูเถอะว่ามันจะวิจิตขนาดไหนมูสัตเลวร้ายขนาดไหนบรรดากิเลสที่มันสิงอยู่ในใจสักเนี่ยนะฉะนั้นต้องอาศัยพุทธญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆมูสัตทั้งหลายที่มันเป็นพิการซ้าซ้อนทางด้านความคิด พิการซ้ําซ้อนทางด้านร่างกายซึ่งเราเห็นอยู่คนสัตว์หมูสัตว์พิการซ้าซ้อนทางด้านร่างกายแค่จะกินอาหารเนี่ยโอ้โหมันไหวทั้งตัวเลยก็ เ, ยเห็นไหมครับคนป่วยแค่จะอ้าปากมือก็สั่นไหวไปด้วยตัวก็โคง้งบิดร้องอักอักอักอกอกไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเช่นถ้าคนมีโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นมูลแล้วมาเพิ่มศรัทธามาเพิ่มวิตกมาเพิ่มพุท ธ, ธิโอลองคิดดูที จะขนาดไหนมันถึงบอกโอ้โหมันสลับซับซ้อนมากบรรดามิสกาทั้งหลายพวกเจลิตผสมแต่ถึงจะผสมยังไงก็ต้องดูตัวมูลของเขาตัวฐานรากของเขาซึ่งมันเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วปัญหาคือว่าถ้าเก่งจริงหรือศึกษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความเชื่อมั่นใช้ความเพียรทั้งหลายลนี้มาจัดการตนเอง มาจัดการราคะที่เกิดขึ้นในใจของตนเองโทสะหรือโมหะต้องมาจัดการกิเลสหรือวิตกเหล่านี้ให้ให้หมดบทบาทไปจนกายแต่เป็นความเพียรที่สร้างสารรค์มีสติและมีสัมปชัญญะแล้วก็มีตัวตัวศรัทธาตัวพุท ธ, ธิจริตทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนในการดําเนินชีวิตถ้าทําได้อย่างนี้เมื่อไหร่ก็แปลว่าใช้ได้ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต มีโยมถามมาจริงอาจารย์พูดปเื่อกนะครับออาวต่ขอกานะครับาในจริตผสมการเอาการจะเอาปัญญามาใัวานจริตเ่ไ้บป่อยางการใแ้ริตได้สมรมีโยมถามมาว่าไอตัวบรรดาจริตผสมเนี่ย มิสกาเนี่ยเช่นเป็นราคาจริตโทษาจริตและโมหาจริตถ้าเราจะแก้ไข <c oughs> จะให้ตนเราเอาจริตไม่ดีออกจากกระแสของความคิดแล้วก็พัฒนาจริตดีๆให้เกิดขึ้น <c oughs> จะทำยังไงถ้าเอาแค่มูลเดียวเนี่ยก็ง่ายหน่อยนะถ้าคนมีสองมูลก็ยากขึ้น แข่นโลภะมูลคืออย่างนี้ถ้ามีราคะเป็นมูลเดียวเนี่ยแล้วก็มามีจริตอื่นๆผสมอันนี้ก็ง่ายแต่บางคนมีราคะกับโทสะเป็นมูลยากหน่อยบางคนมีทั้งราคะโทสะโมหะเป็นมูลโอ้โหอันเนี้ยอันนี้สามมูลเนี่ยแก้ยากเนาะ <c oughs> แต่ไม่แก้ก็ไม่ได้ใช่ไหมวิธีการ ท, ทําไมพระพุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐานสี่หรือแสดงกรรมฐานมากมายท้องเก็บไหม <c oughs> ไอตัวราคะเนี่ยแก้ได้ด้วยอสุภะาโพานากรรมฐานใช่ไหม <c oughs> ปัญญานั่นเองปัญญาที่ไปเห็นความไม่งามนั่นแหละ <c oughs> ส่วนตัวโทสารแก้ได้ด้วยตัว พรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นก็ตัวการจะขับเคลื่อนตัวเมตตาคืออโทสะคือความไม่โกรธให้เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญาในการชําระสาสางในการดําเนินชีวิตมีความเพียรที่สร้างสารรค์มีสติผักตัวอโทสะคือความไม่โกรธขึ้นมาให้เด่น <c oughs> เพื่อจะจัดการโทสะจริตทั้งหลายให้หมดนี้ตัวโมหะเนี่ยต้องใช้ปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องการฟังวิจัยแยกแยะ เพื่อจะถอนไอ้ความเห็นหรือความยึดความเห็นผิดโมหะเนี่ยมันยึดด้วยนะมันยึดทัศนคติยึดความเห็นว่ามันเกิดร่วมกับทิฏฐินี่แหละมันต้องมาวิจัยให้เห็นด้วยความเป็นว่าสัตว์บุคคลไม่มีเนี่ยมันเป็นแต่สภาวธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ไอการที่จะต้องวิจัยแยกแยะเนี่ยต้องอยู่มีกัลยาณมิตรที่ชานฉลาดอยู่ใกล้ชิดนั้นในการคอยบอกแล้วบอกอีกและตนเองเห็นโทษมันยริงๆด้วยนะเห็นโทษหรือวิตกจริตอย่างเงี้ย มันความวิตกไปในด้านกามบ้างการด้านพยาบาทว้างวิหิงสาในการคิดเบียดเบียนเป็นต้นบ้าง <c oughs> จิตมันก็วนลูปหาทางออกไม่ได้วิตกกังวลอยู่อย่างนั้น <c oughs> มันใช้อะไรอ่ะก็ใช้ปัญญาแต่นี้ปัญญาจะเกิดกันหนึ่งมีความเพียรสองมีสติสา ม, มีปัญญาใช่ไหเพียรพยายามว่าเราจะต้องละพวกกามวิตกพยาบาทวิหิงสาวิตกนี้ให้ได้จะไม่ให้วิตกเหล่านี้ไหลเข้าสู่จิต แล้วมีสติกำกับไว้กับตัวรักษากุศลความดีไว้มีปัญญาไปวิจัยว่าเราวิตกเรื่องอะไรก็ใช้วิจัยนะี่ยไปใช้ปัญญาไปวิจัยแยกแยะเมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วก็วางความวิตกกังวล น, นั้นได้หมดจริงว่าเรารู้เราเข้าใจเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรแล้วดาเนินชีวิตถูกทางแล้วความวิตกกังวลก็จะเพ่าแล้วหายไปเมื่ออาศัยปัญญาเนะี่ยมาแก้ไขมาวิจัยมาแยกแยะอย่างนี้เป็นต้น นั้นทั้งหมดเหล่านี้มันบินมันมีวิธีการในการที่เราจะไปวิจัยแยกแยะยังไงเพื่อจะทำให้เราได้เกิดเข้าความเข้าใจให้เกิดขึ้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าจึงสอนในเรื่องของสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติประฐานสติปัฏฐานสี่ แต่ในตติปทานสี่ท่านแบ่งจริตขโม่สัตว์ไว้เป็นสองจริตคือตันหาจริตกับทิฏฐิจริตถามว่าตันหาจริตกับทิฏฐิจริตมันก็คือไอจริตหกนี่แหละจริตหกนี่แหละไอจริตฝ่ายไม่ดีเนี่ยนะจริงๆแล้วยกเว้นจริตฝ่ายดีไปทีนี้ตันหาจริตมันมียังไงกลุ่มพวกตันหาอย่างหยาบปัญญาน้อยหรือปัญญาสับสนเนี่ย พวกตัณหาละเอียดปัญญาลึกซึ้งหรือปัญญาละเอียดปัญญาเยอะเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ให้สังเกตถูกไหมพุทธเจ้าก็จะบอกกรรมฐานแบบห ย, ยาบๆเป็นหมู่หมวดกายทั้งหลายถ้าเป็นตัณหาละเอียดพวกนี้ชอบสุขเวทนาใช่ไหมชอบอุเบกขาเวทนาอย่างเนี้ยพทุทธเจ้าก็สอนให้รู้ความจริงเลยที่หมู่สัตว์เนี่ยหวังหรือปรารถนาก็คือไอ้แค่เวทนานะทําไมเราชอบสีที่สวยๆแต่เรา เห็นแล้วม ER <OS> ันมีความสุขจากการเห็นจริงๆเบื้องหลังของสีสวยๆก็คือมันได้สุขใจแล้วมันได้ใจสบายมันจึงชอบอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าก็ไปเพื่อจะละไอ้ตัณหาละเอียดที่ตัณหามันวิตกิจส่วนกลุ่มทิฏฐิกลุ่มทิฏฐิก็ดีกลุ่มโทสะก็ดีกลุ่มโมหาก็ดีมันอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยใช่ไหมหรือกลุ่มไอ้ตัณหามันก็กลายเป็นโทสะก็ได้เช่นว่า อยากจะหนีอยากจะพ้ น, นก็กลายเป็นโทสะนั่นทีนี้ประเด็นก็คือว่าเห็นไหมว่าการที่จะละตัณหาจะละทิฏฐิพระเจ้าก็มีอุบายในการที่จะมาอุปกรณ์ที่จะฝึกสติอุปกรณ์ในการที่จะฝึกความเพียรอุปกรณ์ในการที่จะฝึกปัญญาสังเกตไม่ยากที่บอกว่ายานะมัตตายาสติมัตตายาเป็นตัวที่บอกว่าการเจริญกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาและธรรมะกายมีอยู่ก็เพื่ออะไร เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่เกิดยานะหรือปัญญาเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่เกิดสตินะถ้ายานะปัญญามาสติมาไอตัวจริตราคะโทสะโมหะวิตกเจริตก็หายก็หมดบทบาทไปอย่างนี้เป็นต้นมูสัตว์เนี่ยทำไงเราจะเจริญพวกศีลสมาธิปัญญาหรือกลุ่มพวกสติความเพียรและปัญญาให้เกิดขึ้นถ้ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติให้เกิดขึ้น แล้วเป็นตัวขับเคลื่อนกระแสชีวิตแล้วจบเลยอย่างอื่นหนื่งก็แปลว่าเราก็สามารถที่จะละกิเลสอุกสรรรมันชั่วร้ายเป็นต้นได้พอจะมองเห็นไหมมีใครถามอะไรไหมครับคือทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องมาศึกษา ให้รู้จักลักษณะของราคะจริตเป็นยังไงกิจของราคะจริตผลของราคะจริตแล้วก็เหตุใกล้ของราคะเออลักษณะหน้าตาของราคะจริตเป็นแบบนี้นะเกิดขึ้นแล้วผักดันกระแสชีวิตอย่างนี้โทสะจริตเป็นอย่างนี้โมหจริตวิตกจริตศรัทธาพุท ธ, ธิเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องสังเกตดนะว่าในตัวเราที่ศึกษามาอย่างดีอยู่ใกล้ชิดครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ปุ๊บครูอาจารย์ก็จะบอกวิธีการ แล้วก็จะมีกรรมฐานที่เหมาะสมแก่จริตนั้นๆเพื่อจะกำราบจัดการกลิตจริตฝ่ายไม่ดีแล้วก็เพิ่มจริตดีๆเช่นสไตล์เพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นยังไงนี้เป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักตนเองถ้าไม่รู้จักเนี่ยก็จะเจริญกรรมฐานมั่วแล้วก็ขัดเกลาตัวเองไม่ถูกเรื่องการพ้นทุกข์ไม่ต้องพูดถึงแค่จะแก้ปัญหาชีวิตแต่ละวันก็ยากแล้วมองออกไหม แค่จะแก้ปัญหาชีวิตแต่ละวันนี่ก็ยากแล้ว <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้แะนั้นมันจึงเป็นถามว่ามันเป็นความจำเป็นไหมจ ำ, จำเป็นที่เราจะต้องรู้จักบรรดาจริตเหล่านี้จริงๆถ้าไม่รู้จกักยุ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ยุงย่งนี่เป็นปัญหาเลยจะจะนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ สมควรนี่ยังหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีนหนมีคนถามปัญหาัหมไม่มีแล้วถ้าอย่างนั้นก็แค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะเอาไว้วันพรุ่งนี้อมโธนากับเราท่านทั้งหลายนะขอโมทนาในกุศลที่ตั้งใจในการมาฟังทำเจริญกุศลกันคอยเป็นปัจจัยในการที่จะคัดเกลาตนเองนะประพฤติปฏิบัติไปสู่ความพ้นจากกิเลสของทุก ขอใรัตนาใจก้มกองทุกท่านเน